ตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณัง Serenang Kachami Thukti yampi dhammang serenang kachami Thukti yampi dhammang serenang kachami Thukti yampi, yampi sangkang ตยัมปิ puthang สรณังคัจฉามิตยยปิพุทธังสรณังคัจฉามิตยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตยยปิธัมมัง สรณคมนังนิทติตังธามาตะเตตรุญ 10 มิติอ่าค่ํา 10 มิติวัน 18 <c oughs> 18 ธันวาคม 2557แรม 12 ค่ํา นะเรื่องความ 8 แล้วปตมาว่าจะอ่าน 10 ก็อ่านได้ น่าอธิบายรายละเอียดไปตามๆไปเรื่อย yeah. 9 เนี่ยบางทีเราก็ไม่จําเป็น นะเขียนนี่จะแจกแจงรายละเอียดชนต่างๆไปอยู่ในมิติที่ 9 ซึ่งเป็นตัวรวบรวม มิติ 9 ได้ 10 นะ 9 ดูนะมิติที่ 9 คือความรักของผู้ที่ได้ จบก็คือเลิกมีความรักนั้นๆเพื่อตัวเองอ่าจบก็คือเลิกมีความรักนั้น มาเสพสมใจเพื่อตนอีกแล้วอย่างมีความสุขสงบนะเป็นความสุขสงบอ่าไม่เอาอารมณ์นั้นไม่ มันไม่มีในจิตใจอีกแล้วนะ 6 วิปัสสนาญาณ 6 นะแต่มันยังจําได้มันยังรู้สึกว่าเออมันยังเป็นความๆอยู่แต่จริงๆข้าง อันนี้ก็อธิบายให้ฟังจะได้รู้รายละเอียดจริงมันยังไม่หมดในภาคที่ข้างในแล้วก็เป็นความจําที่รึกขึ้น เอ่อผ่านความจํานั่นแหละนิดๆหน่อยๆนะๆนานาขึ้นมา อารมณ์ก็ไม่มีความรู้สึกรสของความสุขความ ตรวจตราอ่านเองแล้วเราจะรู้ว่าโอ้เราขาดขาดอย่างไรแค่ไหนนะเป็นอารมณ์เกิด มันจะในความมีอาการอย่างนั้นคุณมีบทบาทประโยชน์หรือโทษมันรู้ เออโดยเฉพาะมันไม่มีชอบรสไม่ชอบจิตทารมอนิทารมมันไม่มีมันสังขารมันเฉยๆนะนี่มันเป็นความจริงๆแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ ตัวกระทั่งเราจําไม่ได้ไม่ใช่ยังมีอยู่เหตุปัจจัยยังมีอยู่แต่แม้จะเหตุปัจจัยนั้น <c oughs> จะแข็งแรงขึ้นหรือไม่แข็งแรงขึ้นเราจะต้องอ่านจริงจริงๆของตนเองนะความจบก็จะจบไปนอกรอบในรอบลึกรอบกามภพรูปภพอรูปภพไปอีกเป็นรอบๆความจบจะ ในมิติที่ 8 ก็จะเกิดผลจบได้ถ้าเรียนรู้ในมิติที่ 8 จิตปัญญาที่ 8 สมาธิทิเนี่ยแม้จะ ออกแคบแคนั้นเองจริงๆมันใจดํามากนะแม้แต่ลูกก็ เป็นสุขเป็นทุกข์ๆเป็นเป็นอยู่ทุกวันนี้มีเยอะฆ่าไปให้ใครก็ใครอยากได้เอาไปอย่างนี้ก็มีจริง ตัวใครตัวใครก็ต้องดูของตนเองว่าเออเราจะมีความรักทิกเผื่อแผ่เอื้ออื่อกว้าง ได้ยินได้ฟังที่อาตมาสอนที่อาตมาพูดนี่นะนะคน ครูเมธุนเอ่อหวงหึงหวงอะไรไตรกันแต่เรื่องลูกมันยังไม่ ระดับมิติที่ต่ําขนาดนั้นนะหรือแม้แต่อิติ 2 มิติ 3 มิติ 4 มิติ 5 อะไรก็ตามนะก็ไล่เรียงไปได้เลยว่าเรา อย่าคิดบ้างสังคมข้างนอกไม่จริงเห็นแก่ชาติประเทศไอ้ชาติประเทศกับสังคมนี่มันใกล้กันบางทีเราก็ ทาเปกระดับสังคมนะระดับสังคมมันก็เป็นความรักที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นไปเพื่อ เห็นแก่ชาติเนี่ยเราเห็นได้เห็นแก่ชาติ ที่อาตมาอธิบายแซกให้เห็นความพวกนี้ขึ้นมาเพราะเราก็จะได้ มีตัวอย่างใช่มั้ยในโลกนี้มันมีอยู่ในสังคมมันมีให้เห็นอยู่เออมัน เป็นจริงในจิตมนุษย์เนี่ยมันต่ําได้ถึงขนาดนั้นพ่อแม่แต่มันจะมีกรอบของการเห็นแก่ลูกๆผู้ใดที่ซึ่งผู้ จะเข้าใจจะเห็นว่าเออจริงด้วยเราไม่ได้ ไม่ใช่ความรักที่เห็นแก่ตัวเพราะความรักจริงๆมันไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่ด้วยอวิชชามันกลายเป็น มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนะผู้ที่จะจบเรียนรู้ๆไปตามลําดับแม้จะเป็นความจบๆก็ๆว่านิพพานหรือวิมุตติ จนสุดท้ายก็สุดดับโลหรือโลกิความหมุนดับโลกหรือโลกิต่างๆให้แก่ตนหรือดับความรักที่เห็นแก่ตัวเองรักถึงขั้น ที่บำรุงอารมณ์ของตนเองน่ะคือบำรุงบำรุงบำรุงอัตตาอีก ไม่ดับโลกหรือความรักที่ยังเพื่อตนเอง 2 มีติ 3 ขนาดไหนก็ก็ตามแท้สมบูรณ์ยังเป็นความรักหรือยัง และสามารถจะสะสมพอกพูนขึ้นเป็นปรมาต จะยืนยงคงทนอ่าคง ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและหมุนเวียนทั้งสิ้นไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมสิ่งที่ยังปรากฏว่ามีอ่าสิ่งที่ยังปรากฏว่ามีจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือแปรปรวนไม่เที่ยงแท้อนิจจังและ น่ะไม่มีความมีใดๆ ที่ได้ละล้างด้วยทฤษฎีของพระ ตั้งแต่รูปธรรมไปจนถึงนามธรรมที่ละเอียดสุดเลยถ้ายัง พระ Accru Hmmmaram apostle to Norbi Pten was no ผ일� last one second here and down at the entrance since rising เปลี่ยนไป tabii that only thing as it wasn't for the food ürüp as it major doesn't because of the fatal risks exhausted by yourself autograph hinabed by hai 100 These days the Hmongtal has the bill of smoke but pathalan ที่นั่นแหละไม่เทียงแล้วในพระอรหันต์ทุกองค์นั่นแหละไม่เที่ยงไม่ มีแต่ดีเพิ่มๆๆๆๆแต่ไม่มีชั่วเพิ่มแต่คนที่ไม่ใช่พระอรหันต์ที่เป็นปุถุชนแล้วไม่รู้มันทั้งดีทั้งชั่วอะไรร่อเล่เลย ปฏุก็ไปบวชหูไปวนหาไปวะโตไปวะใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุด รูปนามขันธ์ 5 นั่นน่ะไม่เที่ยงนะให้ชัดนะแบ่งให้ชัดนะเข้าใจให้ชัดนะเพราะๆนั้นคือนิพพานจิตที่จบ เพราะมีความจริงอันนี้จึงเป็นความจริงอันนี้ถ้าไม่มีความจริงอันนี้มันก็ไม่ แล้วมันจะรู้ได้ยังไงดับๆๆๆๆดับไปแล้วก็มืดไป แล้วนึกว่าอันนั้นน่ะเป็นการจบเป็นการดับเป็นการ 1 5 ชาติ 10 ชาติยังสามารถกดต่อคมต่อได้เลยนะเพราะงั้นเราอย่าที่ มีทิฏฐิตํานิพพานของเห็น 5 เท่านั้นสุด 5 จึงจะใน 62 เนี่ยนิพพานที่เป็นมี 5 นะมี ยึดฌาน 1 ยึด 3 ฌาน 4 เป็น 5 ยึดขนาดขั้นไหนก็แล้วแต่เป็นนิพพานในปัจจุบันนะอันนี้ก็อย 5 อย่างนี้เป็น แล้วก็อ่านอาการตรงนี้ออกหมดแล้วก็รู้อาการยึดด้วยอาการยึดเป็นต้นๆเข้า แล้วมันไม่มีรถชาลไม่มีความสะดุ้งเสถือนอะไรกับมันเลยแต่ไอ้คนนั้นมันยังเค้าจะ มันทําได้ยังไงไปติดไปหลงอยู่ได้อย่างงี้ไม่อายมนุษย์มนากันเหรอเราก็จะเห็นเราก็จะรู้ว่าเอ้อคนพวกนั้นน่ะแสดงว่าจิตของเรา มันรู้ว่าคนเขาถือรู้ว่าคนเค้าถือคนก็เห็นบางเออไม่อยากให้เค้ารู้มันก็ทําลับ เกิดมาเราก็ไม่ได้มีอาการอารมณ์แบบนี้ที่เค้าสุขเค้าติดซึ่ง มันจะแต่ก็จะยากตรงที่ว่าของจริงที่แตกต่างไอ้ที่ไม่เออไอ้จางไปคลายไปเบาไป เป็นแบบสมถะมันก็เบามันก็จางมันก็คลายอ่ามันจึงยากๆเหมือน อย่าปลุ้งอย่าคิดสปัดแล้วสักแต่ว่าสักแต่ว่าเตะ ทําจริง— ๆก็ฝึกจริงๆมันก็ได้เหมือนกันได้แบบลืมตาอย่างนั้น มีสิ่งจริงพิสูจน์สิ่งจริงพิสูจน์ๆนานามาทดประสบมาอะไรต่ออะไรไป มันก็จะเป็นของจริงยืนยันกับเราเองไม่ใช่นั่งเทียนนั่งคิด อเจได้ทดสอบนะมันมีมาก 2 ในวิบากของคนนะวิบากของคน บากของตนเหมือนกันตามลําดับเป็นการทดสอบไปหมดอ่าทดสอบสุดท้ายไม่ใช่ทดสอบเท่านั้น เทวทัตเป็นต้นหรือใครๆต้องเยอะแยะตั้งจิตตมานวิกาก็แล้วแต่หรือใครอีกต้องเยอะแยะอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นคู่ <laughs> ไม่ต้องไปหาหรอกมันเป็นมาเหมาะสมตามแต่ละบารมีแต่ละบุคคลเองเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่ต้องไปจริงไม่จริงถ้า <laughs> MM. เอ่อนะอ้าวนี่ก็ขยายๆได้สมบูรณ์นะนอกจากความไม่มีจริงๆนะความมีเมื่อกี้ นั่นเองแหละที่จบสมบูรณ์ไม่แปรเปลี่ยน จะนิพพานศูนย์ทุกสิ่งอย่างสําหรับตนไม่ว่าอัตตาหรือปรมาตตมันๆสมบูรณ์เดดคาร์ดอ่า อันนี้นิพพานนะไม่ใช่ปรินิพพานเพราะลักษณะสุดยอดที่จะอย่างพระแต่ไม่มีใครแต่ไม่มีความสุขความ จะอยู่อย่างยาวนานไปอีกเท่าไหร่เท่า 9 แล้วนะที่พูดนี่ก็ได้ที่สุดแห่ง ไปจากมหาเอกภพไม่เหลือตัวๆอีกเลยสูญสลายไปจากทุก อีกเด็ดขาดก็ได้เป็นที่สุดแห่งที่ถ้าจะให้สมบูรณ์ก็ต้องเรียกว่าปรินิพพานเป็นปริโยสานนะถ้าต่อ ก็เริ่มนับว่าระดับต้นและจะมีระระระ 4 ระดับคือโสดาสกิทาคามีอนาคามีและอรหันต์ล้วนเรียกอริยบุคคลทั้งสิ้นเมื่อจบอรหันต์ก็ถือว่า เอ่อมีติ 9 นะทีนี้ 4 ขยายไปนะนะ 3 นะจะขยายไปกัลยาณชนนะๆ อ่ะที่อาริยชนก็ค่อยว่ากันอีกที 10 นั้นก็ <c oughs> เป็นความรักที่ไม่มีความรักเลยความรักที่ไม่มีความรักเลยจบสัจจะให้ความรักสมบูรณ์สมเร็จ 10 นี้ก็ ชนิดสุดจะดิดใจอย่าง 4 สมดุลสมบูรณ์ที่สุดเพราะความรัก 10 นี้หากจะ ความจริงของสภาวะก็คือในจิตๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเรียกด้วยภาษากันว่าความสะอาด ความรักที่มีความรักนี้จึงแปลกไปจากความรักๆอย่างสมบูรณ์สูงสุดสมบูรณ์สูงสุดโดย จึงไม่มีอย่างสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดแต่ผู้มีความรักมิตร 10 นี้แน่นอนว่าหากทํางาน อะไรอีกมากมายหลากเราคิดตามได้คํา ความหมายต่างๆๆต่างๆทั้งนานพวกนี้อ่าที่อธิบายที่ชี้ให้ฟังเนี่ยได้แต่ มันเป็นยังไงลึกๆของเขาก็ไม่ได้บอกตัวเองนะเค้าก็จะมันมันมันจะเป็นยังไงเนี่ยเค้า กูแม้ถ้ามีเขาจะไม่เชื่อว่ามันจะมีอย่างนี้ก็ต้องรู้สิกูๆเขาก็ระแวง หึมาใหม่ไหนเว้ยเนี่ยเราจะสร้างถนนให้หรือแม้แต่คนส่วนใหญ่ข้างนอกทุกวันที่ไปทําๆๆๆเนี่ยไม่รู้นะพวกคุณจะมีเอ่อเรื่องราวยศส่งเสริม ถ้าสมมุติแต่มานี่มันไม่มีที่พาไปทําถึงโอ้โหเน็ตเหนือหนักหนาอยู่นั่นน่ะมันไม่มีจิตเรามันไม่ได้ ก็ไม่ได้เป็นโรคพิษทรภิกเนี่ยตะไหร่ไม่มี โดยมาจากไหนอะไรเป็นหลักประกันเป็นเรียนมาจากไหนมาจากไหนอ้าวเสด็จ เอาพระตะปิดกมาเลยยกวันๆแล้วก็ 2-3 ข้อนะอาตมาว่าเออเค้าเอา เออทำเคนทำไมเนี่ยน่าคิดเหมือนกันแล้วยกมาเนี่ยมันเข้าเราหมดเลยที่ยกมาเนี่ยมันเข้าเราหมดเลยแต่มันไม่ใช่เลยอ่ะแต่มันไม่ใช่เลยเค้าเข้าใจผิดอ่าเห็นว่ามันซ้อนนะมันซ้อนมันๆมัน เพราะฉะนั้นเค้าจะไม่เชื่อน้ำหน้าเค้าไม่เชื่อน้ำเออเนาะเค้าๆว่าเรานี่ไม่ใช่เลยเค้านะ มันก็ต้านก็พยายามที่จะบอกชาวโลกให้ลึกนี่เค้าจะรับอยู่รับไปโดยที่เรียกว่าไอ้เชื่อไม่เชื่อแต่ไอ้ก็ศึกษามาศึกษา เถียงไม่ได้เถียงไม่ได้เถียงไม่ได้เถียงไปมันก็จะไปเถียงยังไง <c oughs> เพราะสับซ้อนพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากๆนะเอ่อๆล้วนๆที่ต้องการทําอะไร เป็นเป้าหมายตรงนั่นเองท่านไม่ได้แม้แต่ความลำเอียงเพื่อความเห็นแก่พวกของตัวก็ เพราะฉะนั้นอาตมาเฮียนอันนี้เนี่ยเข้าใจชัดจึงอาตมาถึงเอาของพระพุทธเจ้ามามายืน เราเขาจะมองเหมือนหยาบๆอย่างยิ่งๆยิ่งๆด้วยฟังเข้าใจชัดมั้ยมันดูจริงๆจริงๆแท้จริงแสดงความบริสุทธิ์ ไม่มีความต้องการได้อาจารย์เสียอะไรแต่ต้องการประโยชน์เพื่อๆน่ะมันก็ต้องมี เพราะการที่จะมาเดาด้วยอาการมาเดาด้วยอะไรต่อยากในกาลามสูตร 10 ข้อนั้นน่ะมันจึงเป็นข้อที่ไอ้เดาด้วยอาการนี่แหละมันเป็นคนเค้าเค้ามั่นใจว่าก็ดูแล้วอาการๆเลยเห็น มันเหมือนใช่จริงๆเลยมันพยายามนะเนี่ยมันโอ้โหเอาเป็นเอาตายเลยมันขยันนะเนี่ยมันอุตสาหะนะเนี่ยมัน ไม่อยากมาบําเรอตนไม่อยากมาบําเรออัตตานี่ก็ไม่มีอัตตาแล้วเค้าไม่ได้อยากอยากมายังๆเพราะเค้าจะอยากขนาดๆน่ะ ซึ่งมันซับซ้อนมันวนมากเลยคนทั้งทุกว่าทุกวันนี้นี่ยากที่ๆยิ่งเข้าใจยากยิ่งจะเชื่อๆมันจริงๆหลอกคนได้เก่งชิบหายเลย อาตมาเออน้องก็ไม่รู้จะทํายังไงนะเพราะคือเป็นตัณหาอุดมการณ์ที่จะแข็งแรงเป็นอิทธิบาทโดยซ้ํา พอเราฟังแล้วจะเข้าใจจะรู้เออเนี่ยมันเดาไม่ได้นะมันเป็นเรื่องซับซ้อนนะเอาทีนี้เอาละอาตมาย้อนๆต้น กามตนะกามตนะเราก็ต้องมีอิทธิบาทในการเจยภาคเพียรเพื่อจะจะจะล้างต้องการประสงค์มุ่ง เมื่อสัมปทิฏฐิแล้วเราก็รู้สภาวะจริงก็เรียนรู้ เวรีญศีความเพียรก็จะสูงขึ้นสัทธินทรีย์สูงขึ้นเวรีญศีสูงขึ้นสัทธินทรีย์กำลังกำลังความศรัทธาก็จะมากขึ้นกำลัง เพราะฉะนั้นมันจะย้อนแย้งว่าแทนที่ มีวิริยยินซีสูงขึ้นมีความเพียรเห็นเป็นสภาวะที่อ่านได้เรื่องไปลักษณะเทวนิยม แต่ตอนนี้มันยิ่งทวีขึ้นทวีขึ้นแต่ความบริสุทธิ์นั้นมากขึ้น อะไรเป็นกําลังของวิมุตติเอ้ยไม่ใช่อะไรเป็นเครื่องแสดงกําลังวิมุตติเป็นเครื่องแสดงกําลัง โค้ชอธิบายไม่ได้กันโดยเฉพาะไปถึงกําลังเป็นเครื่องแสดงเอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วน่ะมีอะไรเป็นเครื่องๆนานะไม่ก็เงี้ย เราต้องการมันจะขานแยงความรู้สึกของคนเลยเพราะยิ่งมี อายุคือผู้ที่ยังไม่ตายผู้ยังมีอายุนี่คือผู้ยังไม่ตายผู้ยังไม่ โดยเฉพาะความเป็นมนุษย์ก็จะเห็นความมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงชัดเจนว่าโอ้คนนี้เนี่ยยังไม่ตายนะยังอยู่ได้อีกนานต่างๆนานาแสดงอยู่ชัดเจน เออสลับกันอยู่แล้ววิมุตติผู้วิมุตติในจิตวิมุตติเนี่ยโอ้โหเอาทรมานหรือไง ถ้าเป็นเรามันทนไม่ได้หรอกในขนาดเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันไม่เอา ขอแสดงว่าโลกจะเข้าใจยากโลกจะเห็นว่ามันกลับกันลักษณะต้องศึกษาจริงอารยธรรมๆนะๆต้อง เพราะอาตมาถึงไม่เดือดร้อนภาคเพียนไปเลยที่คนเค้าเข้านี่ไปเรื่อยๆๆๆ ในสังคมของพวกเราเนี่ยอาตมาจึงมั่น ถ้าในตัวคนมีๆก็คนก็ 32 ครบมันก็อาการ 32 ครบนี่สุรภาโวมีสติมันโตพร้อมพร้อมที่ ฉลาดหรือไม่ฉลาดหรือไม่ฉลาดพระพุทธเจ้าท่านเป็นอิถะพรหมจรรย์ยวาโสอิถะก็คือโลกรูปนี้กายาวารูปนามันนี้ที่ปัญญา บอกสติแล้วมันก็จะไปถึงๆแล้วเนี่ยเรียนได้ปฏิบัติทําได้พระพุทธเจ้าท่านตรัส 21 7428 7535 กดแล้วอยู่แน่ก็ไม่เห็นมันจะได้อนาคามีอย่างน้อยหรือว่า 2 ความเพียรยังไม่เต็มคนที่สมาธิทิฏฐิแต่ไม่มี แต่สมาธิที่ไม่มีความแต 35 นะ, 70 เป็น 70 70 เป็น 70 ก็อยู่ถึงงั้น ตรัสได้สิพุทธังเก่งถ้าอธิบายแล้วก็คนมีบารมีอีกต่างหากเพราะคนจะมาฟังธรรม 7 ปีแน่นอนสิสมาธิ 7 ปีคนทนได้สิโพธิรัตน์มัน mm hmm. 70 มันจะ <c oughs> 7, 7 10 รอบ 70 มันจะไหว <c oughs> <c oughs> เอ่อถึงแม้มันมีเหตุปัจจัยมันว่าเอ๊ะเรามัน อาจจะไปเทียบกับเทวทัพแล้วนะเมื่อกี้มันก็คงไม่เป็นหรอกเนาะพวกเราก็คงไม่ถึงขนาดนั้นคงไม่ได้สร้างวิบากอะไรกันมากถึงขนาดจะเป็นเทวทัพอ่ะเนาะนะนี่มันมีความซับซ้อนอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นที่บอกบางบางอย่างเราเข้าใจ ก็จริงอ่ะมียุคของท่าน 7 วันก็บรรลุอ่ะก็ 7 วันก็บรรลุประโยคเดียวก็บรรลุเลยอ๋อ 2 กัน บางๆ7 วันก็บรรลุแต่อาตมาก็ไม่ได้ไปจําตํานานท่านเท่าเยอะแยะเพราะงั้น แต่มันก็มีๆซับซ้อนทำไปทำไปเช่นเราเองเนี่ยนะเรา 10 ปี 20 ปีก็แล้ว 30 ปีก็แล้วเราก็ปฏิบัติอยู่กับหมู่ไปนี่แหละ มันจะเรื่อยๆแม้คุณเพราะคุณเพิ่มมาที่ๆเรื่อยๆๆกรรมทุกกรรมมันเป็นผลทั้งนั้น เพราะฉะนั้นคุณก็จะแข็งด้วยไอ้ที่ฝึกสู้กับอบายมุขๆขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณไม่ แต่ถ้าเปอร์ๆมันก็ไขความละเอียดมากขึ้นนอนมันก็ๆเถอะแน่แต่ละคนมีเนื้อหาของ สุราภาวสติมันโตแล้วเราก็นี่แหละเราอยู่ในโลกกายชุมชนนี่อย่างที่เรา หลายชุมชนหรือหลายหมู่บ้านเขาก็เป็นตำบลหลายตำบลเข้าก็เป็นอำเภอหลายอำเภอเข้าก็เป็น เรียกได้เพราะมันมีมวลประมาณปริมาณหรือมวลมันพอพอที่เป็นกลุ่มเป็นก้อน 2 มันของจริงมันของจริงมัน ถึงวาระ 1 มันก็ต้องๆเพราะฉะนั้นๆไม่ มันมีแต่มือก็เด็กเนี่ยภาวะเนี่ยมันมีแต่โตไปจนกระทั่งถึงขีดนึงมันถึงจะจุดถึงจุดเสื่อมจุดเต็มแล้วมันถึงจะลงมัน หมู่บ้านลายหมู่บ้านละเอาเรียกเป็นตำบลน้อยๆก็แล้วกันไปนึงยังไม่ถึงขั้นอำเภอก็ตามสักวัน ที่อื่นประเทศไหนก็แล้วแต่อินเดียที่ก็ตามมันไม่มีแล้วอ่ะคนอย่างนี้ อ่าไม่เอาใครหรอกพูดตรงๆโดยก็ มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใช่มันไม่ใช่เค้าไม่ไม่ถือหรอกวัดพุทธที่ไปสร้างในอินเดียเนี่ยอาตมากล้าพูดตรง เขาเล่าแล้วก็ถามภิกษุนิของชาวอินเดียน่ะซึ่งมีอยู่กลุ่มนึงเมื่อกี้รูปก็ถามว่าทําไมไม่ไป เพื่อที่จะยืนได้ให้เห็นๆครับว่าพุทธไปเป็นยี่ห้อยี่ห้อเท่านั้นนะคนก็ไม่รู้จักยี่ห้อ แม่มันจะเนื้อในมันไม่ใช่เลยก็เอาเถอะมันก็นําทางไปก่อนนะ ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆเอาเนื้อไปใส่ให้เค้าทําโครงล่างขึ้นมาก่อนแล้วก็ ที่มีปริมาณโดยมีเนื้อแท้จริงแลมันก็เกิดเป็นภาวะอยู่อ่าตอนนี้ จนกว่าจะเป่งปังแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวละทีนี่ละหอมเออเมื่อ เด็กมันเติบโยงหน้าไอ้ดูนมันเติบสาแต่อันนี้ไม่ใช่มันคิดมุกกลางๆแล้วมันก็ๆแล้วมัน พุ่ม 21 ละนะเอ่อพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรได้ก็ไปเรื่อยเนาะเวลาเนี่ยมันไม่เคย 3 ชั่วโมงแล้วเหมือนผ่านไปชั่วโมง <c oughs> ตรงเป๊ะๆเลยนาฬิกาบิ๊กเบนยังตรงไม่เท่าเลยอ้าวเอาละๆก่อนใครจะถามอะไรหลวงปู่เนี่ยฮะได้รู้เรื่องอะไรเงียบๆเนาะ ใครว่ายกมืออะไรบ้างมั้ยอ้าวนายเบนจะถามเอายกมืออ้าวบักกะโลมาแจกเออความจบ ความความจบคืออะไรนะคืออะไรเหรอเอ่อความจบๆความจบมันมีอยู่ 2 เออเราก็กินอร่อยเสร็จปายมื้อนี้จบมื้อนี้ สนิทเลยถาวรก็คือมันอร่อยจนหมดอร่อยหมดมันก็อร่อยไปหลายคราวหลายคราวเราก็พยายามภาคเพียรๆเลยที พูดจาจะบอกว่าเป็นนิจจังทุกขังวัง มีกิเลสอ่าเราสนต้องเอาอะไรมากเราขี้เกียจเราซนเราก็ปฏิบัติจนเออทําได้วันนี้โอ้โหหลายปีทําได้ อ้าวใครต่อโอเนี่ยถือกระโหลกไม่มีใครต้องการเลยมันมีเอาไปให้เลยนั่นฮะอ้าวใครอีกใครได้มากระโหลกแล้ว บอกชื่อด้วยนะอ่าเมื่อกี้นี้ๆอ่า มันเกิดรู้ไหมเกียจนะรู้จักขี้เกียจมั้ยว่าเป็นไงรู้มั้ยนั่นละอาแต่เราไม่อยากทําเนี่ย อาการเป็นยังไงแล้วก็ไปเทียบกับอาการขยันอยากทําเออโดยอยากทํามันนั่นเอออาการใจมันเป็นอย่างงี้มันมีความที่ท่านเรียกว่า นะตนัยอีกอันนึงก็คือผู้ที่ธรรมนั้นต้องมีๆเรียกว่าๆขยันส่วนอาการขี้ อ่านอาการใจของเราให้ออกว่าอาการใจของเรามันขี้เกียจกับขยันนี่ไปเทียบเคียงกันเราก็อร่อยใจเราอ่าน อาการอร่อยอาการอร่อยนั่นแหละกิเลสอาการอยากนั่นแหละกิเลสพอเข้าใจ เมื่อเราก็มันไม่สบายใจใจแล้วอาการแบบนี้มันจะยังไงอ่ะทัดอะไรก็แล้วแต่ใช่มั้ยอ่านั่นน่ะ อาการพวกนี้เนี่ยใจคุณตนได้ท่านธัมมบุตัว เป็นตัวๆได้แต่มันเป็นอาการเอาละพองั้นเอาอีกละแหมเนี่ย ขอกราบเรียนมัชฌิการพ่อท่านท่านได้ก่อนช่วยเลยอ้าวสัมมานาและสิธมาศค่ะอ้าวเอาเลยดิฉันอยากจะถามพ่อท่านค่ะยกมือหน่อยเค้าไม่รู้กล้องก็ไม่รู้จะไปจับใครตรงไหนบอกเออบอกชื่อด้วยบอกแต่แล้วว่า สัตว์ๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ดิฉันน่ะเข้าว่าดิฉันน่ะเคยเป็นสัตว์สัตว์นิมนุษย์มันดูร้ายดูร้ายแล้วคนนี้เป็นของเราเราก็ เราจะจําจําจําแล้วมาสัญญาและความจําอะไรงี้ค่ะดิฉันไม่ค่อยอยากจบถาวรค่ะอะไรเงี้ยบอกว่ามันหลายครั้งค่ะจิตว่าถาวร สัตว์นรกอ่ะค่ะเออมันตายสนิทเลยตายไม่เกิด ที่ 4 นะคะดิฉันก็บำเพ็ญเพียรสุดๆให้สมสุดชีวิตไปเลยค่ะตรงนี้ขอดีนี่บอกรายงานของผล ก็ดีแล้วล่ะพอเข้าใจเดี๋ยวเอาเธอ 1 กรรม 8 ว่ามันสามารถเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ มีอุดมการณ์อันสูงส่งมีความคิดดี 1 อัน อย่างเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความเชื่อมั่นค่ะมีว่าพ้นกามแล้วหรือแม้จะยังไม่พ้นแต่ก็<า> ถามซับซ้อนว่ามันยังมีตัวชั่วอยู่นะแต่ก็ทําดีตั้งใจทําดีพากๆนะได้มั้ยได้แล้วก็ทํากันอยู่ได้ทํากัน ทำดีสุดวิเศษได้เป็นทั้งศาสดาได้แต่ ผู้สาวิสศาสดาเราต้องมาล้างกิเลสมีติที่ 1 อุทโขเวนแล้วก็ลําดับตามลําดับ <c oughs> ไอ้เหมือนยังงงนะเก็บยังงงทําได้เหมือนกันแต่นานไม่รู้กี่เท่าบนเวียนอย่างนั้นน่ะนานไม่รู้กี่เท่าพระพุทธเจ้าทรัพย์เอาไว้ วิตก oh 80 อสงไขยกลับเลยอ่าเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้ 20 อสงไขยกลับเท่านั้นแล้วก็จะได้ทําได้มากได้ดีได้สะอาดได้ คำถามต่อมาก็คือว่าเป็นคำถามสําหรับ 2 ฝ่ายมี 3 กรณีเช่นนี้จะคุ้ม อ่าพยายามที่สุดเราก็ต้องพยายามจะให้เลิกให้ได้เพราะยังก็อยู่ที่หมู่เราอ่าก็ทั้งค่ะประเด็น 3 ก็คือว่าเอ่อ ที่น่าจะเป็นโอกาสที่เปิดเวทีประสบการณ์เรื่องนี้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเอ่อน่า เอ่อที่กําลังมีกราบขอบพระคุณค่ะอ้าวตอบคุณน่ะอยากๆเพลอยๆบ้างขนาดนี้เนี่ยอาตมาว่า 100% น่ะมัน ต่อให้พระพุทธเจ้าพร้อมกัน 5 องค์อยู่พร้อมกันก็ 3 4 40 ปีที่อาตมาทํางานศาสนา ก็พอเออก็อย่างดีก็ไม่อยากให้มันบกพร่องนะใช่มั้ยไม่อยากนี้แต่มันมันได้ขนาดนี้ก็ คืออย่างงี้ดิฉันไม่ได้หมายเรียน เอ่อส่วนใหญ่ตายไปหมดแล้วที่เหลืออยู่คือพวกที่ไม่แน่จริงทั้งนั้นมั่นในตัวเอง 2 พวกก็ 2 ใหญ่ๆอ่า 2 ลักษณะๆเชื่อมั่น อย่างผู้เจ้าแน่นอนจะเชื่อมั่นในตัวเองอ่าหรือแม้แต่อาตมาเองอาตมาก็ๆจริงๆและไม่ เชื่อตัวเองสูงและไม่เคยถอยในความนั้นก็ไม่ต้องอธิบายบ้าบอบอแน่นอนๆก็ได้ เรารู้จักอนุโลมเราไม่ได้มีอัตตาเราไม่ได้เสียหน้าเสียอะไรตะหลายเลยแล้วก็ จิตกิเลสของท่านถาวรนิจังทุวังจริงๆแล้วมันหมดแล้วจริงๆมันไม่มีมันไม่ผิดพลาดอีกแล้วแต่ ความรู้อันนี้เท่านั้นแต่มันเท่ากันหมด แต่พอสารีบุตรก็บอกเสมอเราในจุดหนึ่งเมื่อเรื่องพระสกปะนี่แหละท่านเคยตักพระสกปะเนี่ยเสมอเราเพราะท่านต้องตักดังนั้นเพราะว่าพระ แต่แน่นอนไอ้ไม่เสมอนะสู้ท่านพระพุทธเจ้าไม่อีกอ้าวต่อเลยได้ปริญญาค่ะน้อมกราบคณะกรรมการพอท่านกราบท่านค่ะค่ะคํา เอ่อเทียนดินทัศโนค่ะคําถามนี้ 16 นะคะเพราะท่านเพราะมนุษย์มนุษย์ มนุษย์ที่สูงกว่าเทวดาที่สูงกว่าเทวดามนุษย์โพธิพีสูงกว่าดาวดีมนุษย์ดาวดี ข้อที่ 1 ค่ะข้อที่ 2 มนุษย์ที่เรียกว่ามนุสโสมนุษย์ที่เรียกว่าค่ะอ้าวเอาเอาของพระ มนุษย์ชาวชมพูทวีปประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชั้นและพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์นะเนี่ยเอาหลังเนี่ย พระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างงี้ถ้าเราฟัง ได้โลกุตตรธรรมแล้วต่อให้เป็นพระอรหันต์ต่อกายไม่นํามาเป็นมนุษย์โซไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ 32 ครบมีตับ มนุษย์ชมพูทวีปนี้เป็นมนุษย์บอกแล้วว่าเป็นมนุษย์ที่เป็นอริยะแน่นอนแล้วก็มีครบเลยอริยะครบทั้งโสดาสกิทานาคาอรหันต์นี่คือชมพูทวีปที่ๆมีๆมีอริยะบุคคลจริงมากพอจึงเรียกว่ามนุษย์ชมพูทวีป จิตวิญญาณของมนุษย์ที่เอานามธรรมดาวดึงส์ก็เอานามธรรมเทวดาชั้นดาวดึงส์ก็มาถึงจิตชาวอุตตรกมะ เป็นคุณลักษณะของพระพรหมนิสสัตก็ตามที่ยังไม่ได้มาเกิด ขอบพระคุณพระท่านค่ะอืออ้าวครับอีกครับกราบขออากาศครับผมนายด้านเมฆครับอ้าวโอ้ตินิทาน โอ้โหให้เราเล่านิทานก่อนนอนผมบางทีก็เหนื่อยขี้กระทงเนาะสมัย ก็มีเจ้าชายอยู่คนหนึ่งมีเจ้าชายอยู่คนนึงอือก็ก็พอเริ่มต้น นี่มันมีโรคนึงที่ระบาดในเด็ก 3, 3 4 ขวบอ่ะเค้า หลังจากพวกนั้นมาเค้าเพราะกลัวไม้เหลียวมากกว่าทีนี้เรื่องเรื่องผีนะครับเด็กๆจะชอบกลัวผีกันให้ให้หลวงปู่มีกับเมื่อกี้พูดก็เล่าก็รู้จับว่าจะจะจะ ไอ้เรื่องผีเนี่ยน่ะใครดูเอ่อรายการใกล้ เพราะว่าพิสูจน์แล้วมันไม่จริงมันไม่มีหรอกไอ้ที่ว่าผีๆๆๆเนี่ยมันตัวหลอกน่ะ ชาวโศกนี่อาตมาพาทําพาปฏิบัติแล้วก็อธิบายความจริงมามากขนาดนี้เนี่ยชาวโศกนี่ลดกลัวผีไปเยอะแล้วมันๆสัจธรรมอย่างนี้ จิตวิญญาณเนี่ยมันมาหลอกใครไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีร่างกายๆเด็กๆในโลกไหนก็ มันไปตกอยู่ในนรกมันมาหลอกได้ไงยมบาปหรอกสุวรรณสุวรรณก็ไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านฟังดีๆนี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่นิทานหลอกเด็กที่เอามาทําเป็นหนังเป็นละครเป็น ฟังอีกตายแล้วเป็นผีอยู่ในนรกมาหลอกใครไม่ได้เชื่อมั้ยว่ายมบาลไม่อย่าให้ออกมาๆที่ไหนอ่ะเหมือน เพราะฉะนั้นผีถ้าตกนรกมันไม่มีทางที่จะออกมาๆเนี่ยเป็นๆนี่คือคือจิต แล้วมันก็หลอกบ้านหลอกเมืองหลอกในนี้เต็มหลอกกันอยู่ในทุกวัน ส่วนคนที่ตายไปแล้วนั้นน่ะตกนรกเป็นใหญ่เทวดาก็ไม่มาหรอกแล้วมันตกนรกแล้วออกมาไม่ ยังไม่ตายเนี่ยได้ไหมเอาจิตวิญญาณของเราออกไป ข้างนอกนี่ไปทําอะไรไปแสดงอะไรอยู่ นายกเอาเทวดาคนนี้เอาคนที่เก่งๆสรุปแล้วผีไม่มีหลวงปู่เคย ศพของระเนระนาดพวกเราก็ไปช่วยสึนามิก็มันยังเก็บกันไม่หมดถ้าผีมีผีตายโหง ไอ้ลูกก็ไปตามหานายพ่อฉันตายอยู่ตรงไหนหา DNA กันใครศพใครศพ อยู่ตรงนั้นแหละแล้วเจ้าลูกหลานพ่อแม่พี่ศพก็จะต้องๆเลยให้เห็นมันไม่มีแต่ ที่ถูกผีหลอกแล้วก็เห็นผีอะไรอะไรมันหลอกๆมันเป็นมโนมยัตตาเห็นจริงๆแต่มันไม่มี แล้วจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่มันไม่มีตัวตนมันหายไปเลยๆแรงๆหรือบางทีมันจะมีเหตุปัจจัยโปไปถึงปฐโทเอ้ยต่อ ไปพิสูจน์เลยว่าตรงไหนมันผีมันจะหลอกออกมาหลอกกล้าใจเลยอย่ากลัวตายแข็งใจเลยแค่แค่ตายแค่ตาย อันนี้เรื่องผีอย่าไปกลัวมันไม่มีหรอกแล้วมันไม่ได้เห็นง่ายๆผีๆหรอกนอกจากวิ่งไปแล้วก็ ถ้าวิญญาณของคนนี่ตายแล้วตกนรกอย่างที่พูดกันเป็นนิทานมียมบาลมีสุวรรณสุวรรณมีเจ้าหน้าที่เยอะแยะก็ เข้าใจดีขึ้นมั้ยชัดขึ้นมั้ยแม่จะมีปฏิภาณอธิบายได้ชัดกว่านี้ยังอีกก็ค่อยวันหลังวันนี้ได้แค่นี้อธิบายได้ชัดชัดขนาดนี้แล้วล่ะอ่า 20:00 น. น, น, น, น, น, น, นแล้วพอทันค่ะทําไมเค้าเอ่อกลัวผีคนไม่กลัวผีเป็ดนั่นแหละมันลําเอียงไงมันมันก็ชอบสิชอบ อีกก็ไปในกระเพาะแน่ไปที่ฝังศพแล้ว มันโง่มันไม่กลัวมันโง่ให้หลอกมันมันโง่มันไม่รู้เรื่อง เส้นมันทุกอย่างเลยรู้จักติดสายรู้จักฉิบิดใช่โรงพยาบาลก็ผีคนตายทุกวันแล้วคนที่ไปนอนน่ะเตียงนั้นก็มีคนตาย ใครที่มีนะซวยมากที่จะบอกว่าแม้ถูกพี่หลอกยังก็เนี่ยอุปทานเองคิดเองเป็นเองแล้วก็เป็นนะแม้มีง้นอย่างงี้ได้ยิน อ้าวทีนี้อ้าวเหลืออีก 2 นาทีครับผมแบ่งกันขอโทษครับเอ่อผมจะขอถามเกี่ยวกับ ครูล้วนครับที่เป็นครูแต่งเพลงอ่ะที่พ่อครูเคยไปพักอยู่ช่วงนึงไปพักอยู่ที่ไหนเด็กเกเรที่นั่นไม่ได้ใช่ ทีนี้พ่ออยู่กับครูล้วนแล้วเนี่ยครูล้วนเนี่ยครับเป็นนักแต่งเพลงอ่าแล้วก็ครู อเมริกเพลงของคนนักนักร้องที่แต่งนักแต่งที่เป็นผมแต่งเพลงได้ไง เองแต่งเข้าไปเถอะแต่งเอาไปรวมๆกันอ่าแต่งไปขายเนี่ยอาตมา ยังมีเลยบางอันมันก็เป็นเพลงมีเลยบางเพลงอะไรนะครับมันก็เป็นเพลงยังได้เอามาเป็นเพลง ใช้ชื่อเค้าอ่ะเราไม่ได้เอาชื่อเราหรอกก็ใช้ชื่อ 2, ใช 2> ปีเนาะได้กินได้อยู่แต่แท้จริงก็ควรรู้รับเนี่ย<ม> เป็นความรักเพลงธรรมชาติบ้างคืออยู่ในระดับศิลปะในระดับของมันยังไม่ราคะส่วนใหญ่แต่ดีอย่างมันเป็นก็มันก็บอกว่าเป็นลามก ออกตลาดเค้าก็เล่นตลาดบึดไปก็มีเพลงราคะนี่แหละ ถ้าท่านโลกุตระธรรมะโลกุตระจริงๆที่จะแต่งเพลงธรรมะโลกุตระได้ศิลปะระดับโลกุตระ เอ่อลูกสาวซ้ำมั้ยว่าว่าครูพ่อครูให้ให้ครูครูล้วน 2, 2> คนเท่านั้นนะครับเพราะมันโกงเค้าจะไม่เปิดเผยอะไรหรอกอ๋อไอ้ มีเนี่ยปึกนั่นน่ะผมแต่งเพลงอ่ามีเพลง รู้ว่าพ่อครูแต่งกลอนรักได้อะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ไม่รู้ลูกสาวก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้รู้ก็ 2 คนนึงล้วนก็ผมเท่านั้นเองเพราะว่าเป็นเรื่องไม่ดีผมก็ช่วยเค้าตาลเค้า<อ> มีเพื่อนกันโอ้โหมันแต่งมันอายุเท่ากันนะแต่มีมั้ยครับที่ที่ไอ้ที่บุคคล มันมีกี่คนหรอกพอไปเขียนจดหมายให้เค้านี่ไม่อยู่คือมันก็เฉพาะจดหมายพ่อครูมีคนเดียวมั้งที่เขียนจดหมายให้เค้าเขียนหมายรักให้ตอนนี้มีกี่คนเดียวอ่ะเพื่อนคนเดียวอ่ะจํา ก็ทําให้เค้าก็เค้าก็จีบกันได้ก็หลอกคิดไม่คิดว่าจะเป็นการหลอกลวงกันไม่เราก็ให้เค้า ถ้าเป็นเดือนๆไม่รู้เรื่องรู้เรื่องก็ถ้าเป็นแบบ เป็นลิงลมอมก็พองมันมันไม่ได้เป็นเจตนาหรือว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อแท้ของเราทีเดียวหรอกแล้วๆไง ถ้าเผื่อว่าล้างเสร็จแล้วเนี่ยมันมันไม่มีหรอกมันไม่เกิดหรอกมันสลัดง่ายมัน 2 ทุ่ม 11 นาทีแล้วเราเริ่มต้น 6:00 น. กว่า เจริญ satu